เด่นดวงอยู่รู้สึกตัวอยู่ไม่เผลอไม่เคลิมไปไม่ขาดสติตอนชาติชายสิท ธ, ธัตถะเด็กๆพ่อท่านไปทําพิธีแรกนาะควันเช้าสุดโททนะสุดโททนะดนะไปว่าพระเจ้าข้าวขาวสุดทะ ส, สะอาดบริสุทธิ์สุดทะโททนะนัดข้าวสารมีข้าวข้าวขาว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 อยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอินทรีย์บอย่างพวกเราที่ฝึกดูจิตดูจิตเนี่ยทำอินทรีย์บได้เกือบครบทนะัดจากนั้นก็เป็นเรื่องปฏิจจสุบทัทิอริยสั์พระพุทธเจ้าเนี่ยจเจริญปัญญานะด้วยใช้ปฏิจจสุบทัทนะว่าแจ้งก็แจ้งอริยสัจขึ้นมาเวลาแจ้งของเราไม่ถึงขนาดนั้นนะนี้การเดินปัญญาไม่ใช่การคิดเอา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 ใช้ทำตัวเหมือนนกหงส์หยกนี่มีเหมือนกันมีน้อยแนละ้วนกหงส์หยกใกล้ศูนพันเจอแต่วพวกเซลล์จัดยกนี้นะคือใจเหล่านี้แหละสร้างกรรมเรียกว่าสร้างภบนะคำว่าพนะัมีสองชนิดภบชนิดที่หนึ่งชื่ออุปฏติพภพโดยการเกิดอย่างเราเกิดเป็นคนเนี่ยมีอุปาติภบเป็นมนุษย์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 อย่างเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างนะพอเราไปซื้อมาสนองความอยากล้ความอยากนั้นก็หายไปนี่นดับเป็นคลาล์คลาล์นะจิตอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งดูลงไปตรงๆกิเลสดับตัณหาก็ดับนะความอยากก็หายไปนี่ก็ดับเป็นคลาล์คลาล์ทุกวันนี้เราก็ดับกิเลสเป็นคลาล์คลาล์เหมือนคนดับไฟดับยังไม่เป็นเห็นเปลวไฟไหายไปแล้วนะ <laughs> วก็หยุดฉีดน้ำไปเดียวมันก็ไหม้อีกเพราะเชื้อมันยังอยู่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 แต่จิตที่มีตัณหามีความดิ้นรนมีความปลูแต่งนั้นแหะไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นพระนิพพานนะเพราะจิตหมดตัณหาจิตจะเห็นนิพพานเลยท่านิพพานคือภาวะที่สิ้นตัณหานะสิ้นจากตัณหาในขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทยัยแล้วก็แจ้งพระนิพพานแจ้งนิโรดนั่นนะ่ะขณะนั้นน่ะคือขณะแห่งอริยมรรคมรรคนั้นมีหน้าที่เจริญ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 มันเฉยๆแล้วมันมันเหมือนมีความทุกข์อยู่ข้างในอะค่ะหลวงพ่อนั่นแหละดูเข้าไปที่ใจเราเลยกิเลสยังแฝงอยู่ในใจเราอยู่แต่เราไม่เป็นกลางค่ะมันเหมือนกับว่าทำไมมันหาความสุขไม่เจอไม่มีหรอกให้ไปดูว่าใจมันยังหาความสุขอยู่มันยังอยากได้ความสุขอยู่ไปดูตัวนี้นะให้รู้ทันว่าใจยังอยากได้ความสุขอยู่แล้วอีกข้อนึงค่ะหลวงพ่อ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 กับจิตก็คนละอันกันเห็นค่ะนั่นแหละดีความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอันกันค่ะหนูเห็นได้ไหมว่าทุกอย่างนี้เราบังคับไม่ได้ถูกค่ะมันคือเขาจะไปของเขาเองเขาจิตหนูจะไวมากใช่ไวมากแล้วแลพูดเหมือนพระพุทธเจ้าเลยจิตเนี้ยเที่ยวไปรวดเร็วมากมันมันไวจนแบบหนูโมโหมันนะคะเออทําไมอยากให้มันช้าเหรอ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 อย่าไปจงใจทําขึ้นมานะถ้าทําขึ้นมาติดสมถะเลยคือตํารามันต้องแบบสุกแบบสุกมากๆอะไรางเงี้ยในตํารามันต้องแบบสุกสุกมากๆอะไรางเงี้ยของผมแค่แบบเบาๆไม่ไม่สุกอะไรหรอกมีแต่ทุกข์ <laughs> อย่าไปจงใจทํานะถ้าจงใจทําแล้วผิดเลยให้มันเป็นเองแยกขันไปเรื่อยอ้าว่าไปกราบหลวงพ่อครับเออ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 เป็นการประคองก็ได้ใช่ไหมออรู้รทันประคองนะดีขอบพระคุณครับการ บ, บ้านศึกษาหลวงพ่อค่ะปิธี่แล้วเคยส่งการบ้านหลวงพ่อแล้วค่ะแต่ก็ปีนี้ก็ฝึกที่บ้านค่ะอยู่เบตงนะคะก็ดูแลแม่ไปแล้วก็ฝึกที่บ้านบางครั้งก็ฝึกไม่ได้ละค่ะมีแต่ความโมโหอ่ะค่ะขอความแนะนำจากหลวงพ่อหน่อยด้กเจ้าค่ะจะให้เมตตาอะไร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 ความดับของเวทอย่าไปดับมัน <Je ho S 2> ขันนะ <ka. S 2> ขันเวทนาเป็นขันห้านะเวทนา <ะ S 1> อยู่ในกองทุกทุกให้รู้ไม่ใช่ให้ละ <Je ho S 2> แล้วไม่ต้องไปดับมันหรอกเจ้าค่ะดูไปเรื่อย ก, กายก็อยู่ส่วนหนึง่งเวทนาก็อยู่ส่วนหนึง่งจิตก็อยู่ส่วนหนึง่งไม่เกี่ยวกันหรอกเจ้าค <ho> นะ่ะเป็นกลางกับเขาอย่าไปอยากดับเขานะเจ้าค่ะโยมห้ามความกลัวไม่ได้เจ้าค่ะไม่มีใครห้ามได้หรอกมองอยู่อย่างเงี้เหรอเจ้าค่ะ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 อ่ะหมดแล้วล่ะวันนี้วันนี้ตรวยกันบ้านซะเยอะเลยอ่ะเชิญกลับบ้าน